อนุวาธมูลหมูลแห่งการโจดหกอย่างเป็นมูลแห่งอนุว า, าธาทิกรเป็นไฉไหนภิษุทั้งหลายภิษุในธรร ม, มวิเนยนี้เป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิษุใดเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระาศาสดา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 ถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลแห่งการโจทดเช่นนี้ภายในหรือภายนอกในข้อนั้นเธอทั Pascal ้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลแห่งการโจทดที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นแหลถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลแห่งการโจทดเช่นนี้ภายในหรือภายนอกในข้อนั้น เธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแห่งมูลเหตุแห่งการโจ์ที่เป็นบาปนั้นแหลการละมูลเหตุแห่งการโจ์ที่เป็นบาบนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ความยืดเยื้อแห่งมูลเหตุแห่งการโจ์ที่เป็นบาบนั้นย่อมมีต่อไปด้วยอาการอย่างนี้เป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอท่านละ เป็นผู้มีปกติริษยารณนีละเป็นผู้อวดดีเจ้ามายาละเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิละเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากภิกษุทั้งหลาย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 เพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุก์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุ์ทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการโจ์เช่นนี้ภายในหรือภายนอกในข้อนั้นเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการโจท์ที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นแหล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 ย่อมมีต่อไปด้วยอาการอย่างนี้มูลแห่งการโจทกันหกอย่างเหล่านี้เป็นมูลแห่งอนุวาธาที่ก่อน